เรื่องกรรมชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินยัยหมวดที่สองอีก16กรณี403ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าสงพร้อมเพรียงกันให้สติวินยัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินยัยให้อมุระหาวินยัยแก่ภิกษุผู้ควรอมุระหาวินยัยกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวินัยหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยท่านพระอุบาลีทูลถามว่าสงพร้อมเพรียงกันให้อมุระหาวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมุระหาวินัยลงตัดสปาปิยศิกากรรม แก่ภิกษุผู้ควรตัดสภาปิยศิกากรรมลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดชนียกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปับพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัปพาชนียกรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมลงอุเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุเขปนียกรรม ให้ปริวาทแก่ภิกษุผู้ควรปริวาทชักภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดแก่ภิกษุผู้ควรมานัดอัพานภิกษุผู้ควรอัพานอุปสมบทให้กุลบุตรผู้ควรอุปสมบทกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินยัยหรือพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยอุบาลีสงพร้อมเพรียงกันให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยให้อมุรหาวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูรหาวินัยอุบาลีอย่างนี้แหล ว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงย่อมไม่มีความผิดอุบาลีสงพร้อมเพียงกันให้อมูลห่าวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูลห่าวินัยลงตัดสปาปิยาสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงตัชนียกรรม แกพิสูภูควรตัดชนิยกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปรับภาชนิยกรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมลงอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรมให้ปริวาท แกภิกษุผู้ควรปริวาทชักภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดแกภิกษุผู้ควรมานัดอับพานภิกษุผู้ควรอับภานอุปสมบทให้กุลบุตรผู้ควรอุปสมบทอุบาลีอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลงรงย่อมไม่มีความผิด